ทีนี้พอทะเลาะกันมากขึ้นภิกษุรูปหนึ่งก็เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถวายอภิวาสพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็นั่งลงนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานพระวโรกาธพวกภิกษุในเมืองโกสัมพีเนี่ยเกิดขัดใจกันเกิดทะเลาะกันวิวาทกันทิ่มแทงกันและกันด้วยหอก ค, คือปากอยู่ไม่ปรับความเข้าใจกันและไม่ต้องการจะเข้าใจกัน ไม่ทําให้ปรองดองกันและไม่ปรารถนาความปรองดองกัน น, นะขอทะเลาะ ก, กันตลอดไปว่างั้นแต่เหมือนกับว่าสมาทานผูกเป็นคู่เวรกันไปละทีนี้พระพิสุรูปนี้เนี่ยนะถามว่าท่านหวังสอเสียดใช่ไหมจึงไปกราบทูลเรื่องนี้ให้พระพุทธเจ้าทราบบอกไม่พระพิสุรูปนี้เห็นความบากหมานกันก็เลยคิดว่าที่ไปกราบทูลพระพุทธเจ้าไม่ได้ต้องการเป็นคนโปรดพระพุทธเจ้าและไม่ต้องการให้คณะสง์เกิดความ แตกแยกกันแต่ต้องการให้เกิดความ เ, าเกิดประโยชน์เพื่อกูลเนี่ยนะทำยังไงนาะคณะสงฆ์จะเป็นปฏิบัติเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลคือพิสูุรูปนี้ท่านคิดว่าทําเมื่อสง์เกิดความสามัคคีกันเมือ่อเมื่อสงเกิดความสามัคคีกันก็จะมีการประพฤติปฏิบัติเนี่ยนะความสามัคคีเป็นเบื้องต้นมรรคผลนิพพานก็เป็นที่สุดเนี่ยนะทีนี้ถ้าเกิดการทะเลาะ ก, กัน ทะเลาะ ก, กันเป็นเบื้องต้นนรกเปรตอสุรกายให้เป็นที่สุดมันไม่ใช่ทะเลาะ ก, กันจะพาะชาตินี้มันทะเลาะ ก, กันต่อในนรกเลยนะก็ไปเค้นไปตีไปฆ่ากันในหมู่นรกเปรตอสุรกายเป็นเดรฉ า, านก็เดรฉ า, านยกพวกกันถ้าชาติหลังๆกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยศึกสองเมืองทั้งหลายมันก็ผู ก, ผกเวรมาตั้งแต่อดีตชาติแล้วในบางกรณีเนี่ยมันก็เป็นคู่เวรกันก็สงคราะหกันเดี๋ยวพวกนี้ก็ไปเป็นทหารเข้นฆ่ากันไม่รู้กี่ชาติต่อกี่ชาติ ถ้ า, ราวราผูกเวรกันไปผูกเวรกันมาสงครามในโลกบางทีมันเกิดจากเรื่องเล็กน้อยเนี่ยนะอย่างจุดแตกหักของเรื่องนี้น้ำน้ำขันเดียวน้ําในช่วมเนี่ยนะมันจะว่าน้ามันดื่มกินมีคุณค่ามีราคาเป็นหมื่นเป็นแสนอะไรไม่ใช่ก็เลยคิดว่าเออเมื่อพระพิสุคิดว่าทํำยังไงท่านเหล่านั้นก็จะพร้อมเพียงกันทีนี้เมื่อไม่สามารถทําให้พร้อมเพรียงด้วยกันเอง ก็เลยคิดว่าฉไนพระพุทธเจา้าพระองค์ผู้ไม่มีผู้ใดเปรียบเทียบในโลกพร้อมทั้งเทวโลกเนี่ยนะเมื่อพระองค์เสด็จไปหรือเรียกให้ภิกษุเหล่านั้นเข้ามาเฝ้าพระองค์ องก็จะตรัสสารานิยธรรมร ำ, ำเป็นที่ตั้งแห่งการระลึกถึงกันแสดงศีลขันเป็นต้นประกาศเมตตาต่อพระพิสุท์ทั้งหลายให้พิสุททั้งหลายมีเมตตาการทําความสมัครสมานสามัคคีกันท่านเหล่านั้นก็จะได้เป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขเนี่ยนะเจริญ ง, งอกงามในพระาศาสนาของพระาศาสดาก็เลยเข้าไปกราบทูลเรื่องนี้ถวายแก่พระพุทธเจ้า ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสเรียบภิกษุรูปหนึ่งมาแล้วพระองค์ก็ตรัสรับสั่งว่าภิกษุเธอจงไปเรียบภิกษุเหล่านั้น่ะเหล่าทะเลาะกันมาทั้งหมดนั่นแหละตามคําของเราว่าบัดนี้พระศาสดารับสั่งให้หาพวกท่านผู้มีอายุพระพุทธเจ้ารับสั่งให้เข้าเฝ้า ภิกษุรูปนั้นทูลรับพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าอย่างนั้นพระผู้เจ้าข้าดังนี้แล้วก็เข้าไปหาภิกษุเหล่านั้นแล้วก็บอกว่าพระศาสดารับสั่งให้หาท่านผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นก็รับว่าอย่างนั้นท่านผู้มีอายุอย่างนี้แล้วก็เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับถวายอภิวาทไปถึงก็กราบแล้วก็นั่งลงณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่ง พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสถามภิกษุเหล่านั้นว่าภิกษุทั้งหลายได้ยินว่าพวกเธอเกิดความขัดใจเกิดการทะเลาะวิวาททิมแทงกันและกันด้วยหอกคือปากใช้ปากในทิมกันไปโอ้ยปากเน็บอะไรมันจะเจ็บเท่านี้ไม่มีแล้วใช่ไหมปากเน็บเนี่ยมันเจ็บถึงใจนั่นแล้วหนั้น และก็ไม่ปรับความเข้าใจกันไม่ปรารถนาเรียกว่าไม่มีความต้องการที่จะเข้าใจกันไม่ปรองดองกันและไม่มีความต้องการว่าจะต้องปรองดองกันในที่สุดคือคิดแต่ว่ามันแตกอย่างเดียวมันแตกอย่างเดียวไม่คิดที่จะหันหน้าเข้าหากันร่วมสังครรมต่อกันไม่ได้อีกแล้วเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะมีการยกวัดเรื่องราวใหญ่โตเนี่ยนะเสร็จแล้วก็บอกว่าในที่อื่นๆในะอย่างเช่นในสังฆเภทขันธกะเนี่ยเอ้ยเข้าไปในในเกี่ยวกับเรื่องการ ขันธกะเกี่ยวกับเรื่องกรรมกรรมขันธกะเป็นต้นเนี่ยก็จะกล่าวถึงว่าโอ้ขนาดพระราชาเขาเข็นเขาฆ่ากันเขาก็ยังสามัคคีกันได้พวกเธอทําไมจะไม่สามัคคีกันล่ะเนี่ยนะเดี๋ยวก็มีรายละเอียดอีกในในสูตรสูตรที่เรียกว่าสูตรที่พระองค์นี้ไปอยู่ปาริลยายกะเนี่ยนะเดี๋ยวข้างหน้าจะมีเชื่อมกับเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็จากเรื่องนี้แหละที่พระองค์หนีไปเนี่ยนะไปก็ไปพบใครไปพบกับพระสามพระ พระรูปหนึ่งที่อยู่องค์เดียวนะพระองค์ก็ไปสรรเสริญของการอยู่องค์เดียวตลอดคืนแล้วก็เข้าไปหาภิกษุอีกสามรูปมีพระนุรุธทธะเป็นต้นแล้วก็ไปแสดงธรรมอ น, นิสงค์ของความสามัคคีตลอดคืนเสร็จแล้วพระองค์ก็หนีไปอยู่กับช้างกับลิงเ่ยนะ ก, ก, ก็ก็จับพระภิกษุกลุ่มนี้นี่แหละทะเลาะกันน้ําขันเดียวพระพุทธเจ้ายัางหนีเลยเหมือนกันนะเสร็จแล้วในในเรื่องนี้เฉพาะในโกสัมพิยสูตรพระองค์ก็ถามว่า ภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจะสําคัญความข้อนั้นเป็นไงหมายว่าพวกเธอจะคิดยังไงสมัยไหนถ้าหากว่าพวกเธอขัดใจกันทะเลาะกันวิวาทกันทิมแทงกันและกันด้วยหอกคือปากสมัยนั้นพวกเธอจะมีกายกรรมอันประกอบไปด้วยเมตตาต่อหน้าบ้างไหมและรับหลังบ้างไหมคือเธอจะมีเมตตากายกรรมต่อหน้าและรับหลังต่อกันบ้างไหม เธอจะมีเมตตาวจีกรรมต่อกันทั้งต่อหน้าและรับหลังกันบ้างไหมพวกเธอจะเข้าไปตั้งเมตตามนกรรมต่อเพื่อนสะพรมจัน ร, ร์ทั้งต่อหน้าและรับหลังกันบ้างหรือเนอเป็นไปได้ไหมใช่หถ้าเธอทะเลาะกันเธอคิดหวังความเจริญแก่อีกฝ่ายโน้นบ้างไหมเขาบอกว่าถ้าบัณฑิตทะเลาะถ้าบัณฑิตเนี่ยนะสมมติถ้าพานกับบัณฑิตทะเลาะกันบัณฑิตเขาคิดแต่หวังประโยชน์ให้แก่คนพาน อย่างสมมติอะไรอย่างยตัวอย่างว่าพระองค์ุลิมาเนี่ยนะถือดาบตามไล่พระพุทธเจ้าพระองค์หวังแต่ประโยชน์แก่พระองค์ุลิมาแต่ฝ่ายพระองค์ุลิมาตอนแรกคิดฆ่าอย่างเดียวหรือพระพุทธเจ้าไปโปรดอลรวักยักษ์เนี่ยนะอาวักยักษ์คิดฆ่าพระพุทธเจ้าอย่างเดียวแต่พระองค์ก็มีเมตตาต่ออลวักยักษ์นะพระองค์เนี่ยมีเมตตาต่อนายขมังธนูมีเมตตาต่อช้างธนบานเนี่ยนะหรือช้างนาลากิรีเนี่ยนะพระองค์ก็มีเมตตาต่อท่านเหล่านั้นแต่ท่านเหล่านั้นไม่ได้มีเมตตาแต่ว่า ยังไงก็ช่างเถอะบัณฑิตทั้งหลายจะหวังแต่ประโยชน์ความสุขกับอีกอีกฝ่ายหนึ่งเขาบอกเพราะฉะนั้นหลักการเขาบอกว่ามีศัตรูเป็นบัณฑิตก็ดีกว่ามีมิตรเป็นคนพานเพราะฉะนั้นการอยู่กับคนพานนี่อะไรจะเลวร้ายเท่านี้ไม่มีอีกแล้วแล้วผ่านทั้งคู่ทะเลาะกันนี่อะไรจะเกิดขึ้น พ อ, พอกระโจนกระโจนเลยนนะดีว่าพระพิสุเราเนี้นะเลือกตานหน้าที่บาทเนี่ยถ้าเป็นแบบชาวบ้านทั่วไปสงสัยวางหมดัดวางมวยวางดาบวางปืนแล้วเนี่ยนะก็วางปืนทะเลาะ ก, กันแล้ววางระเบิดแล้วต่อนี้ก็ถ้าเป็นสมัยใหม่ก็วางขีปนาวุธส่งกันไปส่งกันมาเนี่ยนะบ้านเมืองเละเทะหมดนะ เพราะฉันถ้าถ้าเธอทะเลาะ ก, กันแบบนี้เนี่ยนะเธอจะมีเมตตาต่อกันบ้างไหมเธอจะทำอะไรที่เป็นประโยชน์ต่ออีกฝ่ายหนึ่งทั้งต่อหน้าและลับหลังบ้างไหมเธอจะพูดถ้อยคำที่มีประโยชน์ ต่ออีกฝ่ายหนึ่งทั้งต่อหน้าและรับหลังกันบ้างไหมเธอจะคิดให้อีกฝ่ายหนึ่งมีความสุขเป็นต้นทั้งต่อหน้าและรับหลังเธอจะทํากันอย่างไรไหมเธอจะปรารถนาประโยชน์เกื้อกูลด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจทั้งต่อหน้าและรับหลังกันบ้างไหมข้อนั้นไม่มีเลยพระเจ้าค่ะ พระองค์ก็บอกว่าเออก็เป็นอันวา่าถ้าหากว่าเมื่อไรที่พวกเธอทั้งหลายเนี่ยนะเกิดขัดใจกันเกิดทะเลาะกันเกิดวิวาสกันเกิดการทิ่มแทงกันและกันด้วยหอกคือปากอยู่สมัยนั้นพวกเธอไม่เข้าไปตั้งเมตตากายกรรมต่อหน้าและลับหลังพวกเธอไม่เข้าไปตั้งเมตตาวจีกรรมต่อหน้าและลับหลังพวกเธอไม่เข้าไปตั้งมนโนกรรมอันประกอบไปด้วยเมตตาทั้งต่อหน้าและลับหลังในเพื่อนพรหมจรีทั้งหลาย ถ้าทะเลาะกันนีคนที่ทะเลาะกันนี่ปรารถนาให้อีกฝ่ายหนึ่งมีความสุขไหมไม่นี่นะจะทําอะไรเพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งเขาได้รับความสุขบ้างไหมไม่นี่นะจะพูดอะไรเพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งเขาสบายใจไหมไม่เธอก็กลายเป็นคู่เวรกันเป็นศัตรูกันแล้วผมก็บอกความจริงว่าโมฆะบุรุษทั้งหลายว่างเปล่านะพวกเธอนี่ไม่มีฌานอภินญามักผลอยู่ในใจกันเลยอ่างนั้นนะพวกเธอคือคนว่างเปล่า เมื่อเป็นดังนั้นเนี่ยพวกเธอรู้อะไรเห็นอะไรหมายคำว่ากําไรจากการทะเลาะอ่ะมันคืออะไรประโยชน์จากการทะเลาะบอกวิวาสเนี่ยมันเกิด ม, ม, ม, ม, มันมีประโยชน์อะไรในการทะเลาะกันทําไมพวกเธอจึงทะเลาะกันทิ้งแทงกันและกันด้วยหอกคือปะคือปากอยู่แล้ว มันมีประโยชน์อะไรที่พวกเธอมาทะเลาะกันเมตตาต่อกันก็ยังไม่มีเมตตากายกรรมต่อหน้ารับหลังก็ไม่มีเมตตาวจีกรรมทั้งต่อหน้าและรับหลังก็ไม่มีทั้งเมตตามนโนกรรมทั้งต่อหน้าและรับหลังก็ไม่มีเพราะพวกเธอมวัวแต่ทะเลาะกันพวกเธอมาค้นคิดทําในสิ่งที่ศัตรูเขาทํากับศัตรูเธอจะขวนขวายคิดถึงอธิศีนอธิจิต อ, อธิปัญญาเป็นต้นบ้างไหมเนี่ยนะเธอจะปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพานไหม พฤติกรรมอย่างนี้เนี่ยมันปฏิบัติเพื่ออะไรไปไหนก็ไปอบายขนั้นเพราะไม่ปรับความเข้าใจกันและก็ไม่ต้องการที่จะเข้าใจกันด้วยไม่ทําให้ปรองดองกันและไม่มีความต้องการความปรองดองด้วยโมฆะบุรุษทั้งหลายข้อนั้นแหละจักเป็นไปเพื่อไม่เป็นประโยชน์เพื่อความทุกข์แก่พวกเธอตลอดกาลนาน เขาบอกว่าเรื่องกลุ่มพิสุโกสัมพีเนี่ยทะเลาะกันถึงไหนรู้ไหมเขาบอกว่าหัวหน้าสองคนเนี่ยพิสุงโง่สองรูปเนี่ยนะอภิธรรมกับวินัยเนี่ยถึงเขาอาจารย์ใหญ่ลูกศิษย์ห้าร้อยแต่ก็งโง่เขลาเหลือเกินเนี่ยนะไม่รู้ตัวเลยว่าตัวเองเนี่ยนะเป็นชนวนระเบิดตัวใหญ่เนี่ยนะเป็นเพื่อว่าเป็นระเบิดตัวใหญ่มากที่ทะเลาะกันเนี่ยทำให้สองคนทะเลาะกันจิต ท, ที่มีเมตตาต่อกันก็ไม่มีลูกศิษย์อีกห้าร้อยะลูกศิษย์ห้าร้อยเนี่ยเมตตาต่อกันไหมไม่ ภิกษุณีที่ฟังคําสอนของพระภิกษุสองกลุ่มนี้แหละภิกษุภิกษุณีก็พวกถือหางวินัยทรนน่ะภิกษุณีที่ถือหางทรมกรถึกแหะก็ทะเลาะ ก, กันภิกษุณีทะเลาะ ก, กันแล้วพวกโยมอุปถาคสองฝ่ายก็ทะเลาะ ก, กันเป็นสองซีกทีนี้พวกอารักเทวดาเท ว, วดาที่ดูแลปลกปักรักษาสองพวกเท ว, วดาพวกนั้นก็ทะเลาะ ก, กันพวกภุมมะเท ว, วดาที่เป็นเพื่อนกับฝ่ายอารักเท ว, วดาก็ทะเลาะ ก, กันเท ว, วดาที่เรียกว่า จ่าตุ ม, มพร ม, มเทวดาก็ทะเลาะกันะนะเทวดาชั้นจาตุมเนี่ยนะที่อยู่ฝ่ายของพวกใดก็ทะเลาะกันละดาวดึงยามาดูสิตทะเลาะกันจนถึงพรหมมรุกเขาว่างั้นนะนะเว้นแต่ผู้ที่เป็นพระอริยาสาวกเท่านั้นที่ไม่ถือหางเพราะฉะนั้นคนที่น้อมเชื่อเรื่องวินัยก็จะถือหางฝ่ายวินยัยไอ้พวกที่เชื่อพระพิธรรมก็น้อมไปที่จะเอาพวกธรรมกะถึกเอาพวกอภิธรรมก็เลยอภิธรรมกับวินยัยทะเลาะกันตีกันขึ้นนะใครเสียหาย พวกเราเองทะเลาะกันใช่ไหมแต่พระพุทธเจ้าสร้างบารมีมาเคยปรารถนาไหมเออฉันจะได้ใหญ่ๆเพราะพูดคําสอนให้พวกเทอมทะเลาะกันก็บอกว่าการทะเลาะกันแบบนี้เนี่ยนะมีคนเข้าเน็บขึ้นมาเขาเขาพูดดีอนะฟังฟังขึ้นนะบอกเอ๊ะมันเป็นยังไงกันพวกนี้ใช้พระไตรปิฎกเล่มเดียวกันแล้วมันทะเลาะกันเออแปลกนะเขาบอกงั้นก็เป็นอ่ะแล้วก็ยุคนี้ก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะเพราะมาคนคนที่เขาพูดเขาพูดยุคนี้ด้วยนะ ออพระไตรปิฎกไม่ธรรมดานะสองคนอ่านแล้วมันทะเลาะ ก, กันได้ก็งั้นนะจริงไม่ได้กเกี่ยวกับพระไตรปิฎกหรอกมันเกี่ยวกับว่าคนเนี่ยคนเพราะฉะนั้นเราเองอ่ะคือคือบางทีเนี่ยถ้าเราเราต้องสังเกตนะว่าสิ่งที่เราพูดถึงอีกฝ่ายหนึ่งเรามีเมตตาวจีกรรมต่อหน้ารับหลังต่อเขาบ้างไหมอย่างคําของพระวินัยทร ท, รที่พูดถึงนักอภิธรรมเนี่ยนะมีเมตตาวจีกรรมรับหลังไหมอันนั้นขาดก่อนอันดับแรกนะขาดเมตตาวจีกรรมรับหลัง แล้วฝ่ายฝ่ธรรมกรถึกทั้งหลาย น, น ะ, ะแล้วก็พวกลูกศิษย์ของพวกวินัยทรก็ขาดเมตตาวจีกรรมต่อหน้าไอ้พวกลูกศิษย์ฝ่ายฝ่ายพระธรรมกรถึกฝ่ายนักอภิธรรมก็ส่อเสียดทันทีเลยเนี่ยนะส่อเสียดไปบอกอาจารย์อาจารย์ก็ขาดเมตตาวจีกรรมรับต่อหน้าและรับหลังอีกทั้งฝ่ายก็ทั้งพวกก็ขาดเมตตาวจีกรรมทั้งต่อหน้าและรับหลังเนี่ยนะ ก็เลยยิ่งทะเลาะ ก, กันมากขึ้นต่อไปก็ด้วยอะไรดีนะว่ายังไม่ถึงกับเมตตาอะไรนะปาณาติบาตเป็นต้นเนี่ยนะถ้าปาณาติบาตเกิดก็สงคราม น, นะแต่ก็ยังไม่ถึงขนาดนั้น น, นนะกินใจใจเนี่ยอภิชาพยาบาทเต็มที่อยู่แล้วละ่ะทีนี้ถ้าทะเลาะ ก, กันบ่อยๆเข้ามันจะเชื่อบุญเชื่อบาบ้างไหมเนี่ยก็มันเลวอ่ะมันเลวจริงๆนะนะเนี่อา้าวถ้าเข้าเลวแล้วถ้าคุณไปคิดกับคนเลวคุณไม่บาปแล้วก็เข้าเลวจริงๆอะ่ะนะในที่สุดก็ ทิฏฐิก็จะตามมาเพราะอากุศลวิตกทั้งหลายก็จะตามมาเพราะคนพานสองคนทะเลาะกันเนี่ยนะจะเป็นไปเพื่อเป็นทุกข์เป็นโทษเป็นไปเพื่อไม่ใช่ประโยชน์เพื่อความทุกข์สิ้นกาลนานเนี่ยนะเดือดร้อนกันไปนหมดเลยนะเรียกว่าเดือดร้อนตั้งแต่มนุษย์จนถึงพรหมโลกเขาบงั้นอนะ่ะเพราะสองคนเนี่ยทะเลาะกันเนี่ยนะเพราะสองคนเนี่ยทะเลาะกันแล้วก็ไม่ใช่เหตุการณ์เหล่านี้ไม่ใช่มีแต่สมัยพุทธกาล สมัยปัจจุบันทั้งทางโลกก็มีชาวโลกก็ไม่ใช่น้อยสองคนทะเลาะกันทหารตายกันทั้งหมื่นพระราชาสองคนทะเลาะกันเนี่ยนะบริวารทั้งหลายตายกันเป็นเป็นเป็นหมื่นเป็นแสนพระพิสุบางทีทะเลาะกันสององค์เนี่ยวัดแตกกระเจิงก็มีบางทีทายกก like. ับทายิกาเออใครเรียกอะไรนะอุปถักผู้ชายสองคนทะเลาะกันเนี่ยโอ้ยวัดก็แตกและบางทีอุบาสิกาสองคนทะเลาะกันอะไรเกิดขึ้นบางทีเรื่องเรื่อง กินใจกันเนี่ยมันเรื่องเล็กนิดเดียวแล้วเสร็จที่เหลือก็ไปถือหางถือหางก็ต่างคนก็ต่างถือหางมาก็กร้าวรานกันแตกแยกกันขาดความเมตตาสามัคคีกันโอ๊ยวัจจีทุจริตก็บานเบอะเลยครับเนี่ยนรกจะไปไหนใช่ไหมขี้กลากเป็นต้นจะกินหัวใครนะาะเหมือนกันแค่ขี้กลากอย่างเดียวก็ยังชั่วหน่อยปัญหามันค้อนทุบหัวในที่ นะแล้วก็วาจาอันนั้นเนี่ยปากเป็นนอนเลยแล้วเนี่ยนะชาติต่อๆไปเคยเห็นไหมว่าทำไมก็ในคำพีเขาพูดเปรียดปากหมูเป็นต้นเนี่ยก็มาจากกรณีที่พระพิสุทั้งหลายเป็นต้นเนี่ยนะทะเลาะกันในลักษณะนี้เพราะฉะนั้นโทษของการทะเละวิวาทเนี่ยนะมันก็นำไปสู่อบายทุกติวินิบาตนระกเป็นต้น